จากที่ฟังตะกี้นี้ทั้งหมดมานะครับถ้าผมจะแสดงเอเป็นทัศนะว่าสิ่งต่างๆครับก็เหมือนว่าเราจะต้องมีประธานแล้วก็กริยาแล้วก็มีกรรมที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเราต้องตัดทัศนะในเรื่องของตัวประธานตัวเนี้ออกไปเพื่อให้เ อ, อเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่เรามาทําต่างๆเนี่ยมัน มันไม่มีตัวตนจริงๆที่มันเกิดขึ้นนะครับไม่ไม่ทราบว่าตรงนี้หลวงพ่อพอจะให้คำแนะนำชี้แนะอะไรตรงไหนได้บ้างครับในเกี่ยวกับทัศน์นางนี้หัวประมาณนี้ครับถ้าอย่างงั้นลองลองแบบนี้ก็ได้นะคือให้ให้ลองแบบว่าเอาเอาตามที่ที่โยมรู้สึกไปก่อนเช่นสมมติว่า ขนาดที่เนี่ยหลวงพ่อกำลังพูดอยู่เนาะกาลังคุยกันเนี่ยก็ได้ยินเสียงใช่ไหมได้ยินเสียงที่ที่ที่กาลังพูดอยู่ทีนี้พอได้ยินเสียงตรงเนี้ยลองพิจารณาการได้ยินนะว่าการได้ยินเนี่ยอะไรเป็นประธานอะไรเป็นกริยาแล้วก็อะไรเป็นผู้เป็นกรรมหรือว่าเป็นผู้รับผล ถ้าเข้าใจเรื่องการได้ยินอย่างถูกต้องเนี่ยจะเข้าใจในสิ่งที่ที่โยมคุยกันในประเด็นเนี้ยว่าเออถ้าผู้ที่เข้าใจผิดอาจจะมีประธานถ้าผู้เข้าใจถูกต้องก็จะเข้าใจเลยว่าการได้ยินเนี่ยไม่มีประธานแล้วก็ไม่มีผู้รับผู้รับผลของการได้ยินมีแต่การได้ยินเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็น่าสนใจนะเรื่องการได้ยินเนี่ยเออเนี่ยเอาตอนนี้ได้ยินเสียงเนาะ แล้วก็เข้าใจยังไงลองลองอธิบายซิว่าการได้ยินเนี่ยมันมีประทานไหมถ้ามีประทานแล้วคืออะไรที่เรียกว่าประทานแล้วถ้ามีกรรมมีผู้รับผลคืออะไรที่รับผลของการได้ยินหรือว่ามีแต่การได้ยินไม่มีประทานแล้วก็ไม่มีผู้รับผลของการได้ยินคือไม่มีกรรมเออตรงเนี้ยจะเข้าใจว่าอย่างไร เนี่ยเอาธรรมะที่กำลังปรากฏนี่แหละการได้ยินจริงๆหลวงพ่อไม่อยากจะเฉลยเนาะเพราะว่าถ้าหลวงพ่อเฉลยเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นความรู้ของโยมเนาะแต่ว่าการเฉลยนี่เหมือนกับว่าโอเคอาจจะเขาเรียกว่าชี้บอกทางให้รู้จักสักอย่างหนึง่งแล้วต่อไปเดี๋ยวค่อยขยายผลคือต้องให้เกิดปัญญากับเจ้าตัวเองอันทีนี้หลวงพ่ออธิบายอย่างนี้นะตรงนี้ลองฟังดีๆนะเมื่อมีเสียง เสียงมันก็เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่กำลังปรากฏแล้วก็การได้ยินก็เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ได้ยินนะสมมติว่าเราพูดกันการได้ยินกับเสียงมันก็มีแค่สองสิ่งแล้วทีนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีสองสิ่งเนี่ยก็คื อ, อถ้าพูดถึงเรื่องการได้ยินมันก็จะเหลือสิ่งเดียวน ะ, ะตัดเสียงออกแต่เสียงมันก็มาเกี่ยวข้องก็คือมีแต่การได้ยินแต่การได้ยินตรงนี้ ถ้าไปสำคัญผิดว่าเราได้ยินแสดงว่าเราเป็นประธานคือเราได้ยินแต่ถ้าไม่สำคัญผิดก็จะเข้าใจด้วยปัญญาว่าอ๋อมันมีแต่การได้ยินแต่ไม่ใช่ไม่มีเราเป็นผู้ได้ยินตรงเนี้ยมันจะยากแต่หลวงพ่อจะขยายเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจก็คือว่าถ้าได้ยินนะสมมติว่ามีประธานคือเราเป็นผู้ได้ยินประธานก็จะเป็นถึงถูกรู้ขึ้นมาทันที ประธานก็จะเป็นถึงสูกรู้ขึ้นขึ้นมาทันทีนั่นแสดงว่ามีรู้ที่มารู้ประธานเห็นไหมมีรู้ที่มารู้ประธานประธานก็เป็นแค่สิ่งถูกรู้เหมือนกับเสียงที่เป็นสิ่งที่ถูกได้ยินงงไหมตรงนี้เอาใหม่นะมีเสียงแล้วก็ได้ยินถ้าเข้าใจถูกมีแต่การได้ยินแต่ไม่มีผู้ได้ยินคือไม่มีเราเป็นผู้ได้ยิน ได้ยินอยู่นะแต่ไม่มีเราเป็นผู้ได้ยินแต่ทีนี้ถ้าโยมบอกว่าอ๋อก็มีเราไงเนี่ยตัวตนเนี่ยมีอยู่ตัวเราเป็นผู้ได้ยินก็จะเกิดการเห็นตัวเราขึ้นมาว่าอ๋อไอตัวเราคือไอตัวเนี้ยไอตัวที่โยมว่าตัวเราอ่ะไอตัวเราก็เป็นสิ่งถูกรู้ตรงนี้แหละจะมีรู้อีกตัวหนึ่งที่มารู้เรามารู้ประธานเออมารู้เรา แล้วก็ทําให้เกิดปัญญาว่าอ๋อไอที่รู้เรามันก็คือรู้แต่ไม่ใช่เรารู้แต่มันรู้เราถ้าเข้าใจมันจะง่ายแต่มันยากตรงที่ก่อนจะจะเข้าใจหลวงพ่อยกตัวเ อ, อเดี๋ยวนะหลวงพ่อยกตัวอย่างเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งหลวงพ่อชอบมากเลยเพราะมันมันเป็นประสบการณ์การตรงที่เกิดขึ้นกับชีวิตจริงๆเนาะที่หลวงพ่อบอกว่าที่ที่ครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยนะเวลาเห็นนาฬิกาที่มันอยู่ติดที่ผนังอะนะลูกตุ้มมันเนี่ยมันก็เวียงไปเวียงมาเนาะ อันนั้นแหละมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ผู้เห็นไม่มีก็ แ, แสดงว่าการเห็นเนี่ยมีเห็นลูกตุ้มมันมั น, ม, นมันแข่งเนาะแต่ท่านบอกว่าผู้เห็นไม่มีหลวงพ่อก็งงบอกว่าอาจารย์บอกว่าไม่มีผู้เห็นได้ยังไงในเมื่อผมมันผมเป็นคนเห็นไงผมมายืนอยู่ด้านหน้านาฬิกาอยู่เนี่ยจะว่าไม่มีผู้เห็นได้ไงก็ผมเป็นคนเห็ น, น, น, น, หนทีนี้หลวงพ่อก็เพ่งนาฬิกาเนาะเพ่งไปสักพักหนึ่ง พอเพ่งไปเพ่งมาปั๊บม um ันก็มีเหมือนกับว่าพอเพ่งไปเพ่งมาปั๊บเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันรู้ว่าตัวเราเนี่ยอยู่ด้านหน้านาฬิกาตัวเราก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนาฬิกาก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งเลยก็รู้จักว่าอ๋อมันมีอีกสิ่งหนึ่งที่มารู้เราว่าเราเนี่ยยืนอยู่ด้านหน้านาฬิการู้เราว่าเราเนี่ยเป็นผู้มองนาฬิกาอยู่ ก็เลยเข้าใจไอ้ธรรมชาติที่มันรู้เราขึ้นมาว่าโหไอ้ธรรมชาตินี้จริงๆกับมันมาพร้อมกับที่ร่างกายมันมีแล้วที่เกิดมาแล้วแต่ไม่รู้จักพอรู้จักหนเดียวแค่นี้แบบมันง่ายไปเลยว่าตัวเราเนี่ยเป็นแค่สิ่งถูกเห็นนะจะเดินจะนั่งจะนอนตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งถูกเห็นหมดเลยถูกรู้หมดเลยเพราะฉะนั้นมันมีธรรมชาติอันหนึ่งที่รู้เราก็หมายความว่าเราเดินมันก็รู้เรานั่งมันก็รู้ เรายืนมองอะไรอยู่มันก็รู้เราเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่ารู้เราหรือว่าเรียกคําว่ารู้เห็นเราก็ได้ขอขอนุญาตแสดงความคิดเห็นแล้วก็แปลในในในในความหมายนะครับก็คือที่ผมเมื่อกี้พูดบอกว่าก็คือมีเสียงใช่ไหมครับก็คือเหมือนเป็นคลื่นที่ถูกกระทบแล้วก็เราได้ยินแล้วก็ตัวเรานี่แหละก็ได้ยินใช่ไหมครับ ทีนี้ผมผมก็เลยมองว่าในในแง่มุมตรงนี้ก็คือเหมือนก็สิ่งที่เราได้ยินประทานกิริยกรรมตรงนี้ก็จะเป็นในขันของรูปที่เราได้ยินทีนี้สิ่งที่พระอาจารย์หลวงพ่ อ, อได้ได้เทศให้เราฟังก็คือจะมีในในเรื่องของไม่ใช่รูปล่ะจะเป็นเรื่องของนามที่มารู้ตัวรู้การกระทำของเราทั้งหมดเนี่ยที่ที่เรากำลังนั่งเดินหรือนอนหรือได้ยินต่างๆตัวเนี้ย มันก็จะทำให้เป็นประธานที่โดนรู้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ในภาษาตรงนี้มันผมก็อธิบายค่อนข้างลำบากว่า ต, วตัวตัวที่จะเป็นรู้ตัวนี้จะจะใช้ความหมายของว่าอะไรดีอีกทีหนึ่งครับพรอาจารย์อ่า ไ, ไอธรรมชาติที่รู้เราเนาะถ้าตั้งชื่อเพื่อไม่ให้มันไปทับหรือว่าไปซ้ากับตัวอื่นหลวงพ่อจะใช้คำ ว, ว่ายานก็ได้ยานที่แปลว่ารู้เป็นยานยานก็คือ มันเป็นมันเป็นความรู้ของธรรมชาติที่ไม่ปรากฏตัวเพราะว่ายานนี่พวกเราเข้าใจได้เนาะยานนี้แปลว่ารู้เนาะรู้เนี่ยคือมันเป็นรู้ที่มันรู้แบบไม่ต้องอาศัยหูตาจมูกลิ้นกายใจมาประกอบมาเป็นปัจจัยแต่มันรู้ด้วยตัวมันเองเลยคือมันสามารถรู้ตัวเราได้อันเนี้ยหลวงพ่อก็ใช้คําว่ายานยานทัศนะก็ได้เออมันเป็นสัพท์ที่จะได้ไม่ไม่ซ้ากับอะไร ทีนี้ทีนี้คนอื่นพอจะเข้าใจไหมแต่ว่าก่อนจะตั้งชื่อนี่นะแต่ว่าให้ให้เห็นตรงนี้ก่อนนะ่ะหลวงพ่ออยากจะจ ะ, จะให้เห็นจริงๆเลยว่าเออมันมีไอ้สิ่งนั้นอยู่จริงจะเรียกชื่ออะไรก็ตามแต่ว่าสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าสิ่งนั้นมีอยู่แต่มันไม่ใช่เราเพราะมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยพบไม่เคยเจอไม่เคยเห็นมาก่อนมันจึงเป็นเราไม่ได้ แต่สิ่งที่เคยพบไปเห็นมาก่อนที่เรียกว่าเราก็คือตัวเนี้ไอ้ตัวที่นั่งไอ้ตัวที่นอนไอ้ตัวที่ยืนเนี่ยไอ้ตัวเนี้รู้จักดีว่าไอ้เนี้ยเขาเรียกว่าเราแต่มันมีอีกสิ่งหนึ่งที่มารู้เราไงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนั้นแหลยมันเชื่อโดยสนิทใจเลยว่ายัางไงก็ไม่ใช่เราเพราะเหตุว่าก็มันเพิ่งรู้จักเพิ่งรู้จักไงเพิ่งเห็นเพิ่งเพิ่งเข้าใจมันก็เป็นเราไม่ได้เออ เดี๋ยวเนะี่ยหลวงพ่อจะยกตัวอย่างเอาง่ายๆแบบนี้หลวงพ่อใช้บ่อยนะเพราะว่าเหมือนกับบางทีเนี่ยไอ้สิ่งเนี้ยมันยากหลวงพ่อก็เหมือนกับว่าทํายังไงที่จะสื่อให้ญาติโยมได้เข้าใจตามไงเอาหลวงพ่อยกตัวอย่างอย่างนี้โยมลองดูนะโยมเคยขับรถอ่ะสมมุติเราทุกคนเนี่ยหลวงพ่อเชื่อเลยว่าที่อยู่ในห้องเนี้ยนะเคยขับรถเองทีนี้หลวงพ่อพอชีย้ยเห็นอย่างนี้ว่าเวลาเราขับรถเนี่ยเห็นไหมมันจะมีตัวเราเป็นผู้คุมพวงมาลัยเป็นผู้นั่งขับรถเนาะ แล้วก็แล้วก็มีรถเห็นไหย ม, มันมีรถที่เราเราขับนี่แหละมีทีนี้หลวงพ่อจะชี้ให้เห็นตามลําดับก็คือว่ารถกับตัวเราเนี่ยมันคนละสิ่งกันเนา ะ, ะทีนี้หลวงพ่อก็ชี้ออกไปนอกรถบ้างพอสิ่งที่อยู่นอกรถมันก็มีอะไรก็มีรถมากมายที่วิ่งเนาะวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยตรงนี้ก็จะหลวงพ่อก็จะบอกว่าไอ้สิ่งที่อยู่ข้างหน้าที่เห็นนรถคันอื่นน่มันก็ไม่ใช่รถคันนี้ แล้วรถอันนั้นก็ไม่ใช่เราเพราะเราคืออีกสิ่งหนึ่งรถที่เราขับก็อีกสิ่งหนึ่งรถที่อยู่ข้างหน้าก็อีกสิ่งหนึ่งอ่าแล้วก็พื้นถนนก็อีกสิ่งหนึ่งเสาไฟก็อีกสิ่งหนึ่งสายไฟก็อีกสิ่งหนึ่งตำรวจที่อยู่บนท้องถนนก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งตรงเนี้ก็ทําให้รู้จักแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งแล้วแต่ทีนี้อีกสิ่งหนึ่งที่เราไม่รู้จักก็คือรู้ไง ที่มารู้ว่าเนี่ยมีสิ่งหลายๆายสิ่งมีมากมายเอไอ้รู้อันนั้นเนี่ยถ้ารู้ทางตามันก็เขาเรียกว่าเป็นวิญญาณที่รู้ทางตาก็หมายถึงว่าที่ไปเห็นนะเห็ <centralized> นข้างหน้าไอ้นี้เขาเรียกว่าเป็นรู้เป็นวิญญาณที่เห็นทางตาเพราะมันรู้มันมันออกไปรู้ข้างนอกแต่ไอ้ที่มันกลับมารู้เราเนี่ยว่าเราเนี่ยเป็นคนนั่งขับรถเนี่ยไอ้รู้เนี้ยมันไม่ได้รู้ทางตามันไม่ได้รู้ทางหูมันไม่ได้รู้ทางไหนแต่มันเป็นญาณคือ มารู้ตัวเราถ้าไม่มียานมารู้ตัวเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเรานั่งขับรถละ่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยที่รู้เราอย่างเนี้ยมันเป็นยานเป็นยานคือเป็นความรู้ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติแต่เมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยปัญญาเนี่ยปัญญาเราเนี่ยมันไปไม่ถึงก็เลยไม่รู้จักยานแต่ถ้ามีคนมาชี้บอกแบบเนี้ยมันก็จะเข้าใจว่าอ๋อยานนี้มีอยู่ แต่ไม่ปรากฏตัวตนเราเนี่ยจะไปมองว่ายานอยู่ที่ไหนยานเป็นยังไงก็มองไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏอ่าทีนี้หลวงพ่อยกตัวอย่างแค่เนี้ยพอพอมองออกแล้อยังเออคือจะจะเล่าอ่ะนะคะแล้วก็จะถามหลวงพ่อด้วยน้มัสการหลวงพ่อคะ่ะแล้วก็สวัสดีทุกท่านจะเล่าแล้วก็หนูก็จะถามวตกลงอันนี้มันใช่หรือไม่ใช่อะนะคะ คือเอ่อมันจะมีเหมือนกับมีคนแปลกหน้าที่ที่มองมองมองเห็นตัวเราอ่ะค่ะคือความไม่รู้มันเรียกว่าอะไรเอ่อแล้วก็เขาเรียกอะไรวะที่หลวงพ่อบอกตัวรู้ว่าใช่ไหมคะหนูไม่ทราบไว้ที่มันเกิดขึ้นที่มันเรียกว่าอะไรแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันเหมือนกับ <c oughs> มีมีบางอย่างที่มาเ ห, เห็นเห็นเห็นตัวเองอะตัวเองเดินตัวเองนั่งตัวเองกินตัวเองอะไรอย่างเนี้ยหรือแม้แต่แบบว่า บางทีแบบรู้สึกแบบลำคาญยดหจิดใครขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วไอตัวไอสัมยัดไอบางอย่างเนี้ยมันก็มันก็ทําให้เรารู้ว่าออดีตอยู่กําลังรู้สึกแบบเนี้ยประมาณเนี้ยค่ะหรือเมื่อกี้ที่อย่างเวลาฟังหลวงพ่อเทศอย่างเงี้ยถ้าถ้าไอตัวนี้มันยังอยู่นะคะมันก็จะเออมันก็จะเห็นว่าเออนี่นั่งนั่งฟังอยู่แล้วก็หลวงพ่อพูดถึงขับรถก็จินตนาการตามที่หลวงพ่อว่า ใช่นิ่มยังอยู่นะมันก็จะเห็นเห็นว่าเป็นซ้ำวันกําลังทำอย่างนี้แต่ว่าไอ้ตัวนี้แล้วไม่ทราบว่าไอ้ตัวนี้ค่ะเรียกว่าตัวรู้หรือเปล่าแต่ว่ามันไม่ต่อเนื่องอย่างอย่างจริงๆเนี้ยล่าสุดที่ที่กำลังคุยเนี่ไอ้ตัวรู้นี่มันก็หายนับไปเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะคือจะถามว่ามันใช่ไหมคะที่หลวงพ่อพูดถึงตัวรู้อ่ะที่ว่าบางคือบางครั้งก็อย่างแบบว่าเวลาหลกตาลมตันเนี้ยมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยแว บ, บหนึ่ง คือแบบเวลามองต่ําเนี่ยแล้วมันจะยิ่งเห็นเห็นเห็นเห็นอะเห็นได้เห็นตัวเองที่ว่าเห็นตัวเองที่ว่าเป็นเป็นอย่างที่หลวงพ่อเล่าวอะ ก, กับนาฬิกาค่ะคือเหมือนกับว่าเราก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งของของของเหตุปัจจัยอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยตอนนั้นแว บ, บหนึ่งเราความรู้สึกว่าอ๋อไม่ง่ายทุกทะลุถึงให้หลุดตาต่ําอะไรเนี้ยมันมันชัดขึ้นกว่าที่เราจะมองสะเปสะสปะแต่ว่าอย่างที่เรียนนะคะว่าไอ้ไอสิ่งที่มัน มันมันเออที้เริ่มเห็นแล้วว่าตัวกาลังดั้งกำลังฝอยเนี่ยเนี่ยมันมันไม่ได้ต่อเนื่องยาวเหยียดตลอดอะค่ะแล้วก็ยิ่งเวลาแบบเจ็บป่วยเนี่ยไอ้ที่ว่าเห็นเห็นเห็นไอ้นี้ไอ้ที่ว่าเห็นเนี่ยค่ะยิ่งแบบอยากมา <c oughs> ที่ผมพูดเนี่ยจริงๆเห็นโอเคเข้าใจถูกแล้วแหละเนาะแต่ว่ามันอาจจะยังยังไม่คือ คือเขาเรียกว่าเริ่มรู้จักแล้วแต่ว่ามันอาจจะยังสับสนในในในบางขณะเช่นที่บอกว่าเออ่มันะรู้เราไม่ตลอดเนาะแต่จริงอ่ะที่บอกว่ามัน่ะรู้เราไม่ตลอดอ่ะจริงอ่ะเรารู้มันไม่ใช่มันรู้เราแต่ที่โยมเล่าบางบางโอกาสบางที่เป็นปัจจุบันขณะนั้นนี่นะที่มันเห็นตัวเราเนี่ยนะเราฟุ้งเราคุยเรานั่งเนี่ยมันเห็นเนี่ยตัวนั้นแหละคือยานแล้วละ่ะเห็นเราเออแต่แต่ตรงที่เข้าใจยังยังคาดเคลื่อนก็คือว่ามัน่ะเห็นเราไม่ตลอด ไอ้คำว่ามันเห็นเราไม่ตลอดอ่ะแต่จริงอ่ะเรารู้มันรู้ว่ามันอ่ะเห็นเราไม่ตลอดแต่จริงจอ่ะมันอ่ะเห็นเราตลอดถทาว่าความจริงนะ <c oughs> นนไม่บอกไงมันกลับไปกบมาห้เราเห็นเรารู้กับมันรู้เราอ่ะเ <c oughs> มื่อกี้โยมพูดเองเนี่ยโยมบอกว่ามันเห็นเราไม่ตลอดเนี่ยอย่างเงี้ยใครรู้ละ่ะเราใช่ไหม <c oughs> เออแต่ขณะที่เราพูดแบบนี้มันก็รู้เราว่าเราพูดแบบนี้ง <c oughs> งไ <c oughs> ต้องเป็นปัจจุบันนะเพราะว่า ธรรมชาติรู้ที่รู้เราเนี่ยต้องเป็นปัจจุบันขณะถ้าเป็นอดีตเนี่ยมันไม่ใช่ไปแล้วมันเป็นสิ่งที่ที่เราไปรู้แล้วอต้องเป็นปัจจุบันขณะเช่นเ น, นี่ยตอนเนี้ยกําลังคุยกําลังนั่งกําลังอะไรเนี่ยแล้วมันมันก็รู้เราแต่มันไม่ได้พูดสักคำหนึ่งว่ามันรู้เรามีแต่เราอะ่ะพูดพูดกลายเป็นเรารู้มัน <c oughs> อ๋อค่ะ ว, ว้าวโอมันยาบจังนะหลวงพ่อโอ้ตรงนี้มันเป็น คือหลวงพ่อมองนะว่าถ้ายากเนี่ยยากสุดๆแต่ว่าถ้าเข้าใจแล้วมันง่ายสุดๆแต่มันยากสำหรับที่จะเขาเรียกว่าอธิบายต่อให้คนอื่นเข้าใจไงหลวงพ่อเคยอุปมาเปรียบเทียบนี่เลยว่าไอ้เรื่องการดูภาพสามมิติภาพคือเป็นภาพใช่ไมเป็นกระดาษเป็นอะไรแล้วแต่มันเป็นสามมิติคือถ้าเรามองมุมนี้มันก็เห็นเป็นรูปนี้เช่นสมมติว่ามองมุมนี้อาจจะเป็น เป็นพระพุทธรูปนะสมมตินะแต่พอพลิกแผ่นกระดาษอีกนิดหนึ่งเอ้ามันกลายเป็นต้นโพหรือพอพลิกอีกหน่อยหนึ่งเอ้ามันกลายเป็นต้องทั้งต้นโพทั้งพระพุทธรูปแล้วการมองครั้งแรกกว่าจจะเห็นน่ะมันเหมือนกับว่าต้องต้องเหมือนกับว่าคนอื่นเขาเห็นมาเห็นเป็นมาก่อนแล้วอะเนาะแต่เขาบอกว่าเห็นได้น่ะไอ้เราก็ไหนมันไม่เห็นเหมือนที่น่าแล้วก็พยายามพยายามแต่พอมันสะดุดอ่าก็เรียกว่ามันสะดุดนิดหนึ่งว่าเริ่มเห็นอะตรงเนี้ยมันก็พัฒนาได้ จนกระทั่งว่าเห็นชํานาญขึ้นว่าอ๋อมันเป็นภาพสามมิติเนี่ยอุปมาคล้ายกันมากเลยคือถ้าเห็นเป็นแล้วมันจะง่ายเลยแต่ถ้าเห็นไม่เป็นนี่โอ้มันยากมากเลยตรงเนี้ยแต่ที่หลวงพ่อพูดตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าต้องการชี้ให้เห็นว่าไอ้ตัวเราที่เป็นสิ่งถูกรู้เนี่ยนะมันก็คือตัวทุกเมื่อกี้ที่หลวงพ่อเกลิ่นตั้งแต่ตอนที่เริ่มเริ่มคุยในตอนต้นต้นชั่วโมงอ่ะนะบอกว่าทุกเนี้ยมันมีอยู่ แล้วก็ความไม่ทุกข์ก็มีอยู่ทีนี้ถ้าเห็นถ้ารู้เราเนี่ยถ้าเห็นตัวเราเนี่ยตัวเราก็คือตัวทุกข์ใช่ไหมเออแต่ธรรมชาติที่รู้เราอ่ะธรรมชาตินั้นแหละเป็นธรรมชาติที่ไม่ทุกข์เพราะว่าที่มันไม่ทุกข์เพราะว่ามันไม่มีตัวตนมันไม่มีรูปพันธสันฐานมันไม่ได้แสดงปรากฏอะไรให้เห็นเลยให้รู้เลยธรรมชาตินั้นแหละเป็นธรรมชาติรู้รู้แต่ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์อะไรเลยเขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติที่พ้นทุกข์ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปฏิบัติธรรมจนรู้จักจนพบธรรมชาติรู้แล้วเนี่ยก็เรียกว่าพบธรรมที่เป็นสัจจะสูงสุดคือเป็นธรรมมขั้นสูงสุดคือธรรมชาติที่ไม่ทุกข์เลยซึ่งมันมีคู่กันเลยกับธรรมชาติที่เป็นทุกข์ agility. ที่หลวงพ่อพูดตั้งแต่แรกว่าไอ้ธรรมชาติที่เป็นทุกข์ก็มีอยู่ธรรมชาติที่ไม่ไม่มีทุกข์ไม่เป็นทุกข์ก็มีอยู่มันคู่กันแบบนี้แต่ทีเนี้ยพระพุทธเจ้าเนี่ยไปพบธรรมชาติที่พ้นทุกข์ธรรมชาติที่ไม่มีทุกข์เนี่ยก็เลยมาบอกเราให้ไปให้เเหหห็็นนใ้ตาม แต่เนี่ยตรงนี้มันยากสุดๆเลยยากสุดๆยกตัวอย่างเข้าแล้วก็ยังเห็นไม่ได้ยกตัวอย่างเขาแล้วเห็นแต่หลวงพ่อมองนะว่าจะว่าบางคนอาจจะเห็นบางคนไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องพูดถึงเรื่องกรรม嘛เนาะเออกรรมเนี่ยคนเรามันปัญญาหรือต่างๆแล้วก็กรรมวิบากต่างๆเนี่ยมันมันไม่เท่ากันมันไม่เหมือนกันผู้ที่มีกรรมน้อยผู้ที่แบบเหมือนกับดอกบัวพร้อมจะพร้อมบานแล้วเนี่ยรับแสงอาทิตย์หน่อยก็บานก็เห็นเลย แต่ดอกบัวที่ยังยังจมในน้ํายังจมโคลเนี่ยมันก็พูดยากอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะจะทำให้คนอื่นเห็นได้ทุกคนแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นขนาดเป็นศาสตาเป็นสัพพัญยูรู้ทุกอย่างแต่ท่านก็ไม่สามารถสอนคนให้เห็นตรงนี้ได้ทุกคนมันก็เนี่ยเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเป็นเรื่องกรรมเนาะกรรมกรรมบังก็เลยมองไม่เห็นก็เลยเรื่องกรรมก็คือกรรมใครกรรมมันอะ่ะมันเนี่ยต้องลงรว้ตรงนี้เลยอะ่ะ เออทีนี้ก็พูดยังไงดีอะเนาะถ้าเรื่องกรรมแล้วเนาะเออแต่เพียนไปเหอะมันก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าการได้ยินได้ฟังมากเนี่ยมันก็เป็นมงคลมันก็สะสมปัญญาไปแล้วสักวันหนึ่งเดี๋ยวมันก็เห็นได้อยู่แน่นอนแต่ว่าไม่รู้นานเท่าไหร่ประมาณอย่างเนี้ยก็เลยก็เนี่ยก็เลยมาพูดคุยกันนี่แหละใครเห็นก็เห็นถ้าไม่เห็นก็อย่าไปซีเรียสอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ มันเป็นเรื่องของปัญญาเนาะปัญญางั้นถามหลวงพ่ออีกคําถามหนึ่งค่ะคืองานหนูหนูเป็นงานที่ต้องอ่านหนังสือค้นคว้าแล้วก็คิดแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าถ้าสมองเนี่ยมันจะต้องอ่านต้องคิดต้องจําเนี่ยไอ้สภาวะที่เรียกว่ารู้เนี่ยแบบพับเก็บไปเลยอะ่ะมันมันไม่เอามาใช้ไม่ได้เลยอย่างที่หนูเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าอาจจะมีแวบๆว่ามันน่าจะเป็นตัวรู้อย่างเงี้ยค่ะ ก็คือเป็นภาวะที่ตัวเองไม่ได้ใช้ความคิดอะคะ่ะใช้อย่างนี้ยมันเขาเรียกอะไรอะเออเขาเรียกอะไรอะมันก็จะขวางการทํางานหรือเปล่าอ่ะคะ่ะหรือว่ามันไปด้วยกันได้ไหมอ่ะคะ่ะคือตัวที่ขวางมากที่สุดก็คือตัวเรานี่แหละขวางเช่นตัวเราเนี่ยพยายามจะคิดจะค้นจะหาเนาะคือจะไปหาในสิ่งที่ไม่มีไปหาในสิ่งที่ไม่ปรากฏมันก็มันก็บังตัวเองอะ่ะเหมือนกับว่า เดี๋ยวผมก็จะใช้คำว่าอะไรดีนะเอาสมมติว่าพอมีตัวเราปั๊บพอตัวเราสงสัยใช่ไหมตัวเราก็คิดคิดคิดเพื่อที่จะให้รู้ไงแต่ธรรมชาติโน้นอ่ะมันเป็นธรรมชาติรู้มันเป็นธรรมชาติที่ไม่คิดแต่ทีนี้ระหว่างที่เราเนี่ยคิดคิดคิดคิดคิดคิดหารู้ไห่ว่าไอ้ที่คิดเนี่ยคือหลงยิ่งคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ก็ยังคิดคิดเพื่อให้รู้แต่ธรรมชาติที่แท้น่ะเป็นธรรมชาติ ที่รู้เรารู้เราว่าไงรู้เราว่าเราเนี่ยกำลังคิดเออรู้เราว่ากาลังคิดแต่ทีนี้เวลาเราคิดอะ่ะมันไม่ได้รู้เราเลยไงมีแต่เราคิดจะให้รู้ก็เลยรู้เราไม่ได้ <laughs> เอองงไหมเล็กน้อยครอั <laughs> อย่างบ้านนะคะถ้าง่ายคนก็นิพพานกันหมดส เดน้าประเด็นนี้หลวงพ่อจะยกตัวอย่างยังไงอีกนะเอาอย่างนี้หลวงพ่อก็ยกมุกเก่าๆนี่แหละคือสอนบอกคนมาเยอะแล้วบางคนเข้าใจบางคนไม่เข้าใจพวกเราเนี่ยเวลาอยู่เอาตอนนี้ก็ได้เอาเป็นปัจจุบันเนี่ยลองดูนะว่าตอนเนี้ยสภาพที่อยู่เนี่ยเอ่ออยู่ที่ในห้องหรืออยู่นอกห้องนะถ้าสมมติว่าอยู่ในห้องอะ่ะลองดูดิ ถ้าเราเนี่ยถ้ามีตัวเรามองแต่ในห้องไปหาคนอื่นหาว่ามีใครอยู่ในห้องบ้างเนี่ยหันรอบตัวเลยหันรอบตัวจากซ้ายไปขวาวนเราก็จะไม่พบใครเลยนะแต่ที่ไม่พบใครเพราะว่าอะไรเพราะเราเนี่ยมัวแต่หาคนอื่นแต่ถ้าไม่ขาดสติหรือระลึกได้ขึ้นมามันก็จะรู้ว่ามีตัวเราอยู่คนหนึ่งที่อยู่ในห้อง ไอที่รู้ว่ามีตัวเราอยู่หนึ่งคนในห้องอ่ะ น, ะนั่นแหละรู้นั้นแหละคือมันรู้เรารู้เราว่าเราอยู่ในห้องแต่ตอนแรกอ่ะเราอ่ะเพื่อที่จะไปรู้คนอื่นว่ามีใครอยู่ไหมก็เลยไม่รู้เราสักทีหนึ่งเพราะมัวแต่จะไปรู้คนอื่นลองนึกภาพสิง่ายมากเลยแล้วลองไปทําจริงก็ได้ลองเข้าไปในห้องเข้าไปปับ๊บหันรอบตัวเลยดูที่มีใครมั่ง ปรากฏว่าเราเนี่ยมองคนอื่นไม่เห็นอันนี้เขาเรียกว่าเราเนี่ยเรามองคนอื่นแล้วก็ไม่เห็นใครแต่ถ้ามีปัญญามีสติมันก็จะรู้เราว่าเอา้าก็มีเราหนึ่งคนที่อยู่ในห้องไอรู้เราอันนั้นแหละแหละเขาเรียกว่ามันเป็นญาณเป็นญาณที่รู้เราไม่งงค่ะขอบพระคุณค่ะ อ่าถ้าไม่งงนะเอาตรงนี้ไปฝึกฝนในในในสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง <c oughs> แล้วเข้าใจไปทดลองซ้ำๆเดินเข้าห้องเนี่ยเดินเข้าออกเข้าออกเนี่ยเดี๋ยวมันจะรู้เราหมดเลยพอเราเข้าห้องมันก็รู้เราพอเราอยู่คาประตูมันก็รู้เราพอเราเดินออกนอกประตูมันก็รู้เราพอเรากลับเข้ามาในห้องมันก็รู้เราเดี๋ยวจะเข้าใจเองว่าคาว่ารู้เราเนี่ยคืออย่างเนี้ยขอบพระคุณค่ะ <c oughs> อ่ามีคนเข้าใจได้หนึ่งคนแล้วแต่ต้องไปฝึกปลือให้ชำนาญอาคนอื่นลองดูนะว่าที่อธิบายให้โยมพันดาวฟังเนี่ยตัวเองเข้าใจไหมแล้วก็พอที่จะไปต่อยอดเพื่อให้มันเขาเรียกว่ารู้แจ้งคือรู้เราให้แจ้งว่าเราเนี่ยเป็นตัวทุกขเป็นกองทุกขยึดถือไม่ได้แต่ธรรมชาติที่รู้เราเนี่ยเป็นธรรมชาติที่พ้นจากตัวเราเป็นธรรมชาติที่พ้นทุกเออ เพราะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วการพ้นทุกข์ก็คือให้รู้เราแต่ไม่ใช่ว่าให้เรารู้เรามันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มารู้เราซึ่งมีอยู่จริงมีอยู่แล้วแต่ไม่ปรากฏตัวเออมันรู้เราหมดแหละเราจะเดินจะนั่งจะนอนจะคิดจะทุกข์จะสุขจะสงสัยหรือไม่สงสัยมันรู้เราหมดเลยเราสงสัยมันก็รู้เราไม่สงสัยมันก็รู้เราเจ็บเราป่วยมันก็รู้เราไม่สบายมันก็รู้ เราจะตายแล้วเนี่ยนอนพังงาบ พ, พังงาบอยู่เนี่ยมันก็รู้ทําไมจะไม่รู้ละ่ะเออเนี่ยเขาเรียกว่ามันรู้ออกมาจากจริงๆเน่ะมันจริงๆนะทําพูดอีกมุมหนึ่งนะเดี๋ยวโยมอาจจะเข้าใจมากขึ้นก็ได้หรือจะอาจจะงงมากขึ้นก็ได้เอานี้นะสมมติว่าหลวงพ่อพูดเรื่องเรื่องกายเรื่องใจนะอ่เรื่องกายกายเนี่ยพวกเรารู้จักแล้วก็คือเนี่ยร่างกายคือร่างกายเนี่ยที่เป็นท่อนเป็นแท่งนี่นะ่อันนี้รู้จักแล้ว มันเป็นรูปทีนี้อีกอันหนึ่งคือเขาเรียกว่าเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกเป็นความคิดเป็นความนึกเป็นความอะไรก็แล้วแต่มันก็มีอยู่แต่สิ่งนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดในใจนะอารมณ์ต่างๆเนี่ยความคิดความสุขความทุกข์อารมณ์ต่างๆมันเกิดในใจนะใจเนี่ยเป็นที่เกิดของมันก็คือแสดงว่ามันมีมันมีสิ่งนั้น หมายถึงว่าสิ่งที่มีอยู่ในใจที่เกิดเกิดดับเกิดดับๆเนี่ยมันก็มีอยู่แต่มันมีแบบอยู่เกิดเกิดดับๆับแต่ใจมันไม่ปรากฏตัวใจมันไม่ปรากฏอะไรเลยนะเพราะว่าอะไรปรากฏมันก็ไม่ใช่ใจแต่ใจเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏธรรมชาติของใจคือมีความรู้มีความรู้มีความรู้ก็หมายความว่าเวลาอะไรเกิดขึ้นในใจใจก็รู้นะเวลาอะไรดับใจก็รู้ แต่ใจเนี่ยไม่ได้เกิดไม่ได้ดับด้วยใจเนี่ยได้แต่รู้พอเป็นอย่างนี้เสร็จ แ, แล้วเนี่ยใจนี่นะเนื่องจากว่ามันเป็นมันเป็นธาตรู้มันเป็นธรรมชาติรู้มันก็สามารถที่จะรู้แจ้งกับทุกสิ่งที่เกิดในใจไม่มีอะไรที่ใจไม่รู้ใจจะรู้หมดเลยก็ทุกวันนี้ที่ใจรู้แต่เราไปยึดใจว่าเป็นเราไงเรารู้เรารู้แต่จริงอะ่ะใจมันรู้ต่างหากรู้ว่าอ๋อ มีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วมีความสุขเกิดขึ้นแล้วมีสิ่งนี้เกิดดับอะไรเนี่ยมันรู้หมดแล้วใจเนี่ยมันไม่ใช่รู้แค่สิ่งที่เกิดดับในใจมันสามารถรู้ถึงกายเคลื่อนไหวได้ด้วยกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยกายเดินกายนั่งกายนอนใจก็รู้นะแล้วก็ใจเนี่ยสามารถรู้แทงทะลุผ่านกายออกไปรู้สิ่งที่อยู่นอกตัวเราเนี่ยรู้หมดเลยว่ามีอะไร เขาเรียกว่ามีอะไรที่อยู่นอกตัวเราใจก็สามารถจะรู้จะเห็นได้แล้วใจก็จะเห็นว่าสิ่งที่มีอยู่สิ่งนั้นเนี่ยล้วนแต่อยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์หมดเลยคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหมดเลยรวมถึงสามารถรู้โลกโลกนี้โลกหน้าโลกอะไรหมดเลยว่าทุกอย่างสิ่งใดที่มีสิ่งใดปรากฏสิ่งนั้นจะต้องเกิดดับหมดเลยเพราะฉะนั้นใจเนี่ยมันจึงมีความสว่างเขาเรียกว่าสว่างใจสามารถรับรู้อะไรได้หมดแต่ใจเนี่ยมันรู้จักตัวมันดีว่ามันอะ่ะ ไม่เป็นสิ่งที่ไม่เป็นสิ่งที่ถูกใจรู้หมายความว่าสิ่งที่ถูกใจรู้ทั้งหมดอ่ะไม่ใช่ใจแต่ใจอมันรู้ตัวมันดีว่ามันอ่ะมันไม่ได้เป็นอะไรมันได้แต่รู้เมื่อได้แต่รู้เนี่ยใจเนี่ยจึงเป็นความหลุดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมันเป็นคนละสิ่งกันใจก็คือใจแต่สิ่งที่ถูกใจรู้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งมันคนละเป็นคนละธรไมาชาติคนละอย่างกันพอใจมีความรู้แบบเนี้ยใจก็ไม่ได้หลงยึดถืออะไรนี่ ก็ได้แต่รู้อย่างเดียวรู้แจ้งรู้แจ้งรู้จริงใจก็เป็นความหลุดพ้นหลุดพ้นจากสังขารทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเมื่อใจหลุดพ้นเขาเรียกว่าก็คือใจก็บรรลุก็คือใจก็เป็นนิพพานอืมเป็นนิพพานทาตุไปเลยหมายความว่าพ้นจากทุกพ้นจากสุขคือไม่เป็นอะไรอะพอเข้าใจไหมถ้าอธิบายในมุมมองแบบเนี้ยขออนุญาตคือ สงสัยว่าแล้ว่างความแตกต่างระหว่างมาโนวิญญาณกับใจอะคะ่ะของพ่อลูกควรหลวงพ่ออขยายความะคะ่ะคือมโนวิญญาณนี่เขาเรียกว่าเป็นวิญญาณที่เกิดจากธรรมารมณ์คือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจกระทบกับอายตนะภายในที่เขาเรียกว่าใจนะแล้วมโนวิญญาณเนี่ยเกิดดับได้นะซึ่งเป็นเขาเรียกว่ามันเกิดการรับรู้ทางใจแต่ใจที่หลวงพ่อพูดมานี่หลวงพ่อ คือชื่อมันเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าให้มีความต่างกันหลวงพ่อเพิ่มเติมอีกนิดหนึงก็ได้ว่าออายตนะที่เรียกว่าใจเนี่ยอันนี้ก็เป็นสังขารปรุงแต่งนะก็ยังเกิดดับได้แต่ใจที่หลวงพ่อพูดถึงเนี่ยมันเป็นใจแท้นี่ต้องเติมอีกตัวหนึ่งใจแท้หรือธาตุรู้ก็ได้ใจที่หลวงพ่อพูดถึงที่มันเป็นรู้อย่างเดียวนะมันเป็นธาตุรู้มันไม่ใช่ใจที่เป็นอายตนะแล้วก็ไม่ใช่มโนวิญ ญ, ญาณทีนี้ พอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วธาตุรู้เนี่ยจึงมันเป็นธาตุที่เป็นธาตุตามธรรมชาตินะเพราะธาตุเข้าใจเรื่องธาตุเนี่ยจะรู้เหลือว่าธาตุคือเป็นธาตุตามธรรมชาติไม่ได้เป็นตัวไม่ได้เป็นตนไม่ได้เป็นอะไรหมดเลยแล้วธาตุรู้เนี่ยไม่มีการปรากฏให้รู้ให้เห็นว่ามีหน้าตารูปร่างลักษณะอย่างไรคือไม่มีความปรากฏสิ่งนี้เลยมีแต่ความรู้อย่างเดียว เมื่อมีความรู้อย่างเดียวมันจึงรู้แจ้งต่ออะไรรู้แจ้งต่อมโนวิญญาณรู้แจ้งเขาความเกิดดับใช่ไหมเออรู้แจ้งต่อเอ่อคือรู้แจ้งทุกอย่างแต่สิ่งที่ใจไปรู้เนี่ยตรงเนี้ยที่สําคัญคือมันรู้ว่าไม่ใช่ใจมันจึงรู้จักตัวมันดีว่ามันอะคือมันไม่ได้เป็นอะไรมันได้แต่รู้อย่างเดียวเออพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วมันก็คือมันเข้าใจเลยเป็นเป็นแบบเหมือนกับว่า เข้าใจเลยว่าความไม่ทุกข์ก็คือใจนี่เองคือใจแท้นะไม่ใช่ว่าใจไอ้ตัวนน้นคือบังเอิญภาษาไทยเนี่ยมันมันซ้ํากันไงแต่ว่าถ้ามีคนถามเราก็จะขยายให้ฟังว่ามันต่างกันตรงไหนอย่างเงี้ยอย่างบางทีพูดถึงเรื่องเรื่องวิญญาณขันกับธาตุรู้มันต่างกันตรงไหนบางคนก็เคยถามคือถ้าวิญญาณขันเนี่ยที่เกิดการรับรู้ทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยอันเนี้ยเกิดดับหมดแต่ธาตุรู้มันไม่ใช่วิญญาณขัน แต่เป็นธาตุตามธรรมชาติซึ่งมันมีมาก่อนก่อนที่จะมีวิญญาณขันคืออธิบายอย่างนี้คือทารู้เป็นธาตุตามธรรมชาติใช่ไหมแต่วิญญาณนขันเนี่ยมันมีได้ก็ต่อเมื่ อ, อ, อมันเกิดการผสมระหว่างธาตุดินธาตุน้าธาตุไฟธาตุลมมาผสมกันก่อนแล้วก็ทำให้เกิดเกิดอะไรหรอเกิดเนี่ยเกิดหูตาจมูกลิ้นกายขึ้นมา เห็นไหมตอนนี้พอเกิดหูตาจะหมดลิ้นขึ้นตายขึ้นมาเสร็จเนี่ยมันก็มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งทำให้วิญญาณธาตุเนี่ยทำให้ธาตุรู้เนี่ยซึ่งมีอยู่แล้วตามธรรมชาติเนี่ยแต่ยังมีอวิชาผสมอยู่มันก็เลยเข้ามาปนเปกับธาตุดินธาตุน้ําตน้ำธาตุไฟธาตุลมจนกระทั่งทำให้เกิดเป็นเป็นอะไรก็เรียกว่าเป็นจิตวิญญาณขึ้นมาเป็น เดี๋ยวมันทําให้อะไรนะพอมันเข้ามาผาสมเนาะเนื่องจากแต่เดิมเนี่ยมันเริ่มมีหูมีตามีจมูกมีลิ้นมีกายแล้วพอไอ้ธาตรู้ที่ยังประกอบด้วยอวิชามาผาสมปับ๊บมันก็สามารถที่จะรับรู้เวลาหูตาจมูกลิ้นกายไปกระทบกับสิ่งใดมันก็เกิดเป็นวิญญาณคือเป็นเป็นจิตขึ้นมาแต่เป็นจิตที่เรียกว่าวิญญาณขันเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณขันมันจึงไม่ใช่ธาตรู้ ที่มันต่างกันอย่างนี้เพราะอะไรเพราะาธาตุรู้เนี่ยมันมีมาก่อนแล้วแต่วิญญาณขันเนี่ยเพิ่งมาเกิดตอนเมื่อมันปรุงแต่งให้มีหูตาจมูกลิ้นกายใจแล้วก็กร ะ, กะทบกับอายตนะภายนอกเอเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็ชี้ให้เห็นว่าวิญญาณขันกับาธาตุรู้เนี่ยคนละสิ่งกันแต่เนื่องจากาธาตุรู้ที่มันมาผสมเนี่ยมันยังคือยังมีอวิชาคือยังมีความยึดถือยึดถืออะไรยึดถือความเป็นตัวตนว่ า, าธาตุรู้เนี่ยเป็นตัวเป็นตน แล้วก็พอมาเอาเข้ามาผสมกับธาตุ ด, ดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันก็ไปยึดสิ่งนั้นว่าเ ป, วเป็นตัวเป็นตนหมดเลยนะแล้วก็พอมีหูมีตามีจมูกมันก็ยึดหมดเลยอ่าพอมีร่างกายมันก็ยึดร่างกายเป็นตัวเป็นตนหมดเลยแล้วก็พอร่างกายดับไปด้วยความหลงยึดร่างกายดับหมดแล้วนะแต่ด้วยความหลงยึดเนี่ยไอ้ธาตุรู้ที่ยังมีอวิชชาอยู่เนี่ยก็ยังเป็นเชื้อที่จะให้ไปเวียนเกิดเวียนตายอีกเรื่อยๆ เออประมาณอย่างเงี้ยอันนี้มันยาวถ้าพูดไปแล้วมันมันยาวแต่ว่ามันเป็นความรู้ที่พระพุทธเจ้ารู้ได้อธิบายแต่ว่าถ้าเราจกฟังก็ได้แต่ฟังเพื่อให้เข้าใจว่าอ๋อที่มาที่ไปของของของชีวะชีวิตเราเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงก็จะทําให้เข้าใจได้อย่างลึกซึ้งว่าอ๋อที่จริงอะ่ะมันมาจากธาตุตามธรรมชาติทั้งหมดเลยธาตุตามธาตุตามธรรมชาติมันก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นธาต เพราะนั้นที่มันมามามองว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเพราะว่าในธาตุรู้ที่มาผสมเนี่ยมันยังมีอวิชชาอยู่แต่ทีนี้ถ้าเราปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะปร ะ, ประกัาอปฏิบัติตามตามหลักอริยมรมีองค์แปดอย่างเงี้ยแล้วก็มีสติปัญญาพอมีสติปัญญามันก็รู้ความจริงว่าแท้จริงอะ่ะมันไม่มีตัวตนอะไรหรอกมีแต่ธาตุมีแต่ธา ต, ต, าตุหรือมีแต่ขันห้าหรือว่ามีแต่เ อ, อะไรละ่ะที่เป็น ส่วนผสมตัวตนที่แท้จริงไม่มีเมื่อมีปัญญาแจ่มแจ้งขนาดนี้อย่างนี้ความสิ้นยึดก็ดับสิ้นก็จึงไม่มีพบมีชาติที่ต้องเกิดอีกต่อไปชาตินี้ก็เป็นชาติสุดท้ายอ่าก็คือจบแล้วจบกิตไม่ต้องไปไปเวียนเกิดเวียนตายอีกแล้วเรื่องนี้มันก็เรื่องเรื่องยาวแต่ว่าฟังไว้ก็ดีเพื่อจะได้มองออกว่าเออตัวตนของเราจริงๆไม่มีเลยมีแต่ธรรมชาติ ครับขอบพระคุณพระอาจารย์นะครับก็เมื่อกี้ที่คําถามนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็คือในเรื่องของจิตกับมโนเมื่อกี้ถามเรื่องมโนวิญญาณนะครับจริงๆตรงที่เกิดของจิตนะครับก็ที่พระอาจารย์ท่านเทพก็จะแบ่งออกเป็นอายตนาทั้งหกนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขออธิบายก็คือเพิ่มเติมก็คือหนึ่งประสาททางตานะครับเขาจะเรียกว่าจักรขู่ประสาทนะครับ ก็อันสองก็คือทางหูนะครับก็เป็นโสตรประสาทอันที่สามก็คือประสาททางจมูกนะครับเขาเรียกว่าฐานะประสาทนะครับอันที่สี่ทางลิ้นนะครับก็เป็นชิวหาประสาทอันที่ห้านะครับก็คือประสาททางกายก็คือกายาประสาทหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับก็คือจะเกิดทางรูปนะครับทางรูปนะคับส่วนอันที่หกอันสุดท้ายก็คือเป็นหัธยะรูปนะครับก็คือจะเป็นมโนวิญ ญ, ญาณตัวนี้แหละที่บอกว่าเอความแตกต่าง ระหว่างตัวมโนวิญญาณกับตัวจิตตรงนี้จิตเนี่ยจะเป็นตัวรับของอัยตนาทั้งหกตัวนี้เข้ามาอีกทีหนึ่งโนวิญญาณเนี่ยเป็นเหมือนที่ตั้งในการรับรู้ของออจิตที่เกิดทางใจอะครับอันนี้อาจจะขออนุญาตเสริมให้ครับก็ก็ถูกนะถูกตามถูกตามความรู้ที่มีจากการได้เรียนได้ศึกษาอย่างนี้ ร, รวมแล้วนะตอนนี้ก็คือทั้งหมดทั้งสิ้นที่รู้แบบนี้เรียกว่าเรารู้นะแต่ถ้ารู้เราคือรู้ว่าเรารู้แล้วตัวเราที่เป็นผู้รู้เนี่ยไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันจึงยึดถือยึดถือผู้รู้ที่เป็นเราไม่ได้จะต้องสลัดคืนคือวางมันเสปล่อยมันเสียอย่าได้ยึดถือว่าผู้รู้เป็นตัวเป็นตนเพราะผู้รู้ก็คือเป็นความไม่เที่ยงเหมือนกัน แต่ธรรมชาติที่รู้รู้เราเนี่ยที่รู้ธรรมชาติที่รู้เรานั่นแหละธรรมชาตินั้นแหละคือเที่ยงแท้แน่นอนคือไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีการเกิดและก็ไม่มีการดับอย่างนี้จึงเรียกว่ารู้วิมุตต์หลุดพ้นรู้จกักพ้นจากทุกทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นก็สู่นิพพานอย่างเดียวไม่เป็นอื่นอ่า ถ้าเดี๋ยวถ้ามีใครสงสัยข้องใจในประเด็นนี้เดี๋ยววันต่อไปก็มาพูดคุยเพื่อให้รู้เราให้แจ้งชัดขึ้นไปอีกเนาะจะได้พ้นทุกข์กันในชาติปัจจุบันนี้ไม่ต้องรอชาติไหนชาติหน้าไม่ต้องรอรู้ปัจจุบันก็พ้นทุกข์ได้เลย